ไตราสารณาคมข้าพเจ้านอบน้อมยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะปณิธานนี้พึงบังเกิดแก่สัพสั ต, สสตงหลายจะปฏิบัติตนเพื่อได้มรรคผลนิพพานให้บังเกิดจิตมุ่งตรงต่ออนุตตรสัมโพธิข้าพเจ้านอบน้อมพระ เป็นสรณะปณิธานนี้พึงบังเกิดมีแก่สัพสัตทั้งหลายให้เข้าถึงพระสูตพระปติดดอัละเอียดลึกซึง้งมีปัญญาดุจมหาสุขข้าพระเจ้านอบน้อมพระสูตรเป็นสรณะ ปณิธานนี้พึงบังเกิดมีแก่สัพสัทธ์ทั้งหลายให้เป็นผู้อภิบาลดูแลพระมหาบริุร์ปราศจากอุปสรรคทั้งปวงขอสักการะอริยะทั้งปวงโดยพร้อมเพรียงกัน